เปิดหนังสือหน้าสิบุติยาวิพัใช้ในอัอจันตะสังโยคุติยาวิพัในอัอจันตะสังโยค ะ, ยวะย ค, ะคว่าอจันตะเนี่ยนะแปล ว, ว่าสุดแปลว่าสุดแปลว่าสุดสุดมีอยู่สองอย่างหนึ่งสุด เวลาสองสุดระยะทางข้อกอสุดระยะไอ้สุดเวลาข้อขอสุดระยะทางก็คือไปจนเราพูดถึงระยะทางเท่าไหร่ต้องสุดเลยเช่นพูดถึงเวลาว่าหนึ่งวันก็คือสุดหนึ่งวันเลยไม่ใช่ครึ่งวันไม่ใช่เสี้ยววันถ้าบอกว่ามาเรียนวันที่ห้าก็คือวันที่ห้านเนี่ย ตลอดทั้งวันนะตลอดทั้งวันจึงอัดเรียกว่าอัดจำตะสังโยคะนั้นแปลว่าประกอบประกอบด้วยที่สุดของสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้คือกการเวลาขอระยะทางการเวลากับระยะทางมาดูข้อกอก่อนข้อกอการลัดจนตะสังโยคะประกอบด้วยที่สุดแห่งการเวลาในทุติยวิพัฒท่านแปลว่าตลอด แปลว่าสิ้นตลอดวันสิ้นหนึ่งวันอะไรอย่างี้ตลอดเดือนสิ้นเดือนก็คือทั้งเดือนไม่ใช่เอาวันสิ้นอย่างเดียวเอาทั้งเดือนถ้าพูดถึงเดือน mm hmm. ดูตัวอย่างข้อหนึ่งมาสังมังโสธโนโหติมาสังแปลว่าตลอดเดือน mm hmm. มังโสธโน มาจากมังสะบวกโอทนะเป็นสมารมังสะโอทนะเป็นมังโสทนะลงสีเป็นโอเป็นมังโสโนะโอทนะแปลว่าข้าวมังสะแปลว่า เ, เนื้อแปลว่าข้าวเนื้อเหรอ อ, อืมข้าวผสมเนื้อข้าวครุกเนื้อข้าวครุกเนื้อข้าวผสมเนื้อข้าวที่มีเนื้ออยู่ด้วยอ่ะมีไหมบ้านเราข้าวอะไร ข้าวผัดเนื้อข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่ข้าวผัดกุ้งฮะบาจ่างบาจา ง, าจางม า, างพา บ, บอกมีแต่หมูเนื้ออะไรก็ได้เนื้ออะไรก็ได้เนื้อสัตว์ทุกอย่างมังโสนโนแปลว่าข้าวคลุกเนื้อข้าวคลุกเนื้อโหติมีอยู่ มาสังตลอดเดือนนั่นหมายคอตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบสามิเอ็ดของเดือนเนี่ยนะมีข้าวครุกเนื้อทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีก็คือมีตลอดทั้งเดือนเลยอาจจะเป็นเทศกาลกินข้าวครุกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยของเราก็เทศกาลบาจา่างก็บาจ่างทั้งเดือน <laughs> ข้าวคลุกเนื้อมีอยู่ตลอดทั้งเดือนหรือว่ามีข้าวคลุกเนื้อตลอดทั้งเดือนนะต่อไปข้อ 2. สองสพกาลัง ว, วิหารโรระมณีโยสพกาลังแปลว่าตลอดการทั้งปวงตลอดการทั้งปวงวิหารโรวิหารเรียทับศัพท์วิหา ร, ร, หารคือสถานที่อยู่ได้อย่างสะดวกสบาย กระมะนีโยแปลว่าร่มรื่นร่มเย็นรื่นรมทั้งรื่นรมท่านก็จะแปลว่าหน้ารื่นรมถ้าแปลว่าร่มรื่นก็ไม่ต้องหน้าละร่มรื่นหรือร่มเย็นวิหารโรวิหารกระมะนีโยร่มรื่นสัพพกาลังตลอดการทั้งปวงนั่นหมายถึงทุกฤดูการร่มรื่นอยู่อย่างนี้แหละ ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ร่มรื่นข้อ3ขมราวาโสติยามังสยตติฆราวาโสติยามังสยติฆร า, าราวาโสแปลว่าผู้อยู่ในเรือนผู้ครองเรือนก็แปลทับพท์วะฆราวา แต่ไทยมักจะพูดผิดอยู่คระวาสคระวาสไม่ใช่คราวาสคารวาสภาษาไทยอ่ะเป็นคารวาอ่าบาลีจริงๆต้องเป็นฆราวาสสงสัยไหมทําไมเป็นฆราวาสไม่เป็นคารวาสทําไมทําไมมันกลับกับภาษาไทยเนี่ยบาลีเนี่ยบาลีผิดหรือไทยผิด เวลาเข้าสอนที่กันแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยลบสระหน้าใช่มส้าลบสระหน้าตรงนี้ใแล้วก็อ่านว่าคาราวาโซคาลาวาดสุนไทยไปเป็นคาลาวาดยังไงก็ไม่รู้จริงๆเขาเวลาภาษาไทยถูกจริงก็เขียนว่าคาลวาดนี่แหละแต่ว่าเวลาพูดอ่านพูดว่าคาลาวาด คาราวาดญาติโยมไม่ต้องว่าคาระวาดอะคาราวาดนี่แหละฝึกว่าไว้คาราวาดญาติโยมแปลว่าอาวาโสผู้อยู่ฆะเรในเรือนคาราวาโสชื่อว่าคาราวาดผู้อยู่ในเรือนผู้อยู่ครองเรือนผู้ยังมีเรือนนั่นเอง ตลอดกะเฉพาะอานที่ไหนแปลว่าไหนเนี่ยคำนี้คำนี้ไม่เกี่ยวกับธุติยาวิพัฒเลยเอาธุติยายพัฒคือติยามังติยามังสยติสยติแปลว่าย่อมย่อมนอนติยามังตลอดยามทั้งสามวันหนึ่งมีกี่ยาม มีสี่ยามด้วยอวันหนึ่งกี่ยามหกชั่วโมงกยี่ยสบชั่วโมงสี่เอชันี่ชั่วโมงหารเลยเหรอหารสี่เลยเหรอเอางี้แล้วกันนะกลางวันเนี่ยเขาจะไม่นับช่วงเวลากลางวันว่ายามยามเขาจะนับเฉพาะกลางคืน มีสา ม, มยามปฐมยามมชิมยามและปะชิมยามถ้าเป็นบัณฑิตนะก็จะนอนอย่างหนึ่งพระราชาก็จะนอนอย่างหนึ่งชาวบ้านญาติโยมก็จะนอนอย่างหนึ่งพวกยากไร้อนนาถาก็จะนอนอย่างหนึ่งในโครงโลกอนิจนะมีอยู่โลกนิจเขาว่าไงนะ เ e อ, อ, อกยาโมโครงการนิทรไทยว่ า, าอะไรนะบันธงยาหนึ่งไทยโมริหกทุ่หบันดตทุ่งแครส า, ามายาทุ่งผ่านินโราชสี่ยาและเชียงแทบเดียร์ชา <laughs> <laughs> บันดิตผู้เอกอ้างอะไรนะบัณฑิตผู้เอกบัณฑิตผู้มันจะมีบทหนึ่ ง, งบัณฑิตผู้ไม่รู้จําไม่ได้ลนะถ้าบัณฑิตจะนอนยามเดียวผู้บําเพญเพียนเนี่ยนะนอนยามเดียวส่วนพระราชาเนี่ยนอนแค่สองยาม นอนสองยามส่วนคนไพร่คนยากไร้คนอนาถายาจกนอนสามยามส่วนพวกสัตว์ได้กระฉานนอนทั้งไม่นับยามแล้วไม่นับยามเช้าก็นอนวันนอนเย็นนอนคืนนอนนอนหมด <c oughs> ในทีนี้ถ้าบอกว่าคารวะานอนสามยามเป็นคารวะาต้องนอนครบสามยามถ้านอนสองยามนี่ก็คือคารวะผู้บําเพ็ญเพียร เช่นเจริญสมาธิภาวนาบำเพ็ญต บ, บะถือศีลก็นอนแค่สองยามถ้าเป็นบัณฑิตจริงๆนะก็ต้องนอนแค่ยามเดียววันละสีชั่วโมงเท่านั้นแหละดูต่อไปข้อสี่อิมัสมิงวิหารเรออิมังเตมาสังวัสังอุเปมิเนี่ยใครจะได้ว่าแล้วเนี่ยอีกสองสัปดาห์หน้าพระทั้งหลายก็จะว่าอย่างนี้แหละวันเข้าพรรษาน เป็นคําอธิษฐานเข้าภรษาของภิกษุว่าอย่างนี้เลยอิมัสม <language> ิงว <language> ิหารเกรอิมังเตมาสังวัดสังอุเปมิเห็นมิกิริยานอย่างนี้ประธานต้องเป็นอหางอาหารข้าพาเจ้าอุเปมิย่อมเข้าอยู่ย่อมเข้าอยู่ส่วนคําว่าวัดสังเนี้ยเป็นกิริยาวิเศษนะ แปลพับศั์ว่าพันษาแปลออกศัพว์ว่าฤดูฝนวัดสาเนี่ยฤดูที่ฝนตกเข า, า, ว า, าว่าวัดสาแปลว่าฝนตกลงมาเราก็เรียกฤดูฝนว่าพันษามาจากบริว่าวัดศักวัการน่ะวัดการฤดูฝนวัดสังอุเปมิเข้าอยู่จาําพันษา อิมัตสมิงวิหางเรในวัดแห่งนี้เตมาสังตลอดสามเดือนอิมังนี้ตลอดสามเดือนนี้ข้าพเจ้าขอเข้าขออยู่จำพรรษาในวัดแห่งนี้ตลอดสามเดือนนี้พออธิษฐานแล้ว ตั้งแต่วันอธิษฐานจนกว่าจะครบ3เดือนห้ามไปค้างคืนที่ไหนทั้งนั้นที่นั่นจะเป็นวัดจะเป็นที่ไหนก็ไม่ได้แล้วก็จะออกไปเรียกว่าไปไม่ค้างคืนนะต้องออกหลังจากอารุณขึ้นแล้วถ้าออกก่อนอรุณขึ้นถือว่าไปค้างคืนที่อื่น พรรษาขาดทันทีเช่นพระในเมืองเนี่ยเข้าพรรษาเสร็จแล้วยังไม่งรุ่งสางเลยออกบินทบาทไปสว่างอยู่นอกวัดพรรษาขาดรับกระถินไม่ได้ไม่ได้อานิสงส์พรรษายกเว้นแต่ว่าวันที่ออกไปนั้นอนะมีผู้นิมนต์ออกไปได้ในระหว่างพรรษาจะไป ส, ส, สู่ที่อื่น ในเวลาที่ทำให้ภาษาขาดได้ด้วยเหตุสี่ตุงสี่ตุงไปได้หนึ่งทานันจะทาตุงสองธรรมมันจะโสตุงสามพิกขุนันจะปัสีตุงและสี่มาตาปีตูนันจะอุปัิตุงไม่ทันเดี๋ยวเขียนให้ เขาเรียกว่าสีตุงไปได้สีตุงที่เขียนให้สีตุงเนี่ยเรียกว่าสัตตาหกรรมนียะสัตตะแปลว่าเอหะแปลว่าวันสัตตาหะแปลว่าเจ็ดวันกนรรมนิยะแปลว่าควรทำควรทำสัตตาหะอหะไม่ใช่อาหา น, นะอหะสัตตะเจ็ดอะหะวัน ตอนเรเรียนไวยากรณ์มาแล้วน่ะมีอาหาศัพท์ในมโนคณะลองเปิดย้อนขึ้นไปดูมโนคณะแจกตามมโนศัพหน้าสามสิบหไวยากรณ์หน้าสามสิบหกสุดท้ายในคาถาแจากตามเลยมโนวะโจวะโยเตโชตโปเจโตตโมยะโสอโยปะโยสิงโรสันโธไอชันทโธสังโรอุโรงระโหอะโหเห็นไหมอะโหตัวนี้แปลว่าวันอาหาศัพท์ พอมาเข้าสมาดกับสัตะสระอะเจอสระอาก็ลบสละอะหน้าแล้วก็ทีฆัสระอะหลังเป็นอาสตตอาหะจึงเป็นสตตาหะแปลว่า7จวนันการณ์นยะแปลว่าควรทำสตตาหะกรณนยะแปลว่าควรทำเจ็วันด้วยเหตุสีตุงจะทำสตตาหะกรณียะนั่นหมายความว่าในระหว่างจำพรรษาสามเดือน ภิกษุท่านจะเดินทางไปที่ไหนจำจะต้องค้างคืนเนี่ยนะหมายถึงไปแล้วกลับไม่ทันก่อนอรุณขึ้นนะกลับไม่ทันก่อนอรุณขึ้นถ้ารู้แน่ชัดว่าที่ที่จะไปเนี่ยจะกลับไม่ทันก่อนอรุณขึ้นก่อนออกจากอาวาสต้องทำสตาหาการณียะก่อนไม่ใช่ออกไปแล้วกลับไม่ทันไปทำสตาหาการณิยะทำไม่ได้ไม่สำเร็จถือว่าพรนาขาดต้องทาก่อนจะออก แต่ถ้าทําก่อนจะออกแล้วก็กลับมาทันอยู่ก็ถือว่าการทํานั้นเป็นโมฆะไปไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่ทําก่อน7วันหมายถึงว่าจะไปครั้งคืนที่1กี่วันก็ช่างต้องทําสตาหักกรณียะแต่ว่าการไปครั้งคืนที่อื่นนั้นไม่เกินเจ็ดวันภายภายใน7วันนะครับ ถ้าท่านไปครั้งคืนที่อื่นเจ็ดคืนมันจะกลายเป็นกับวันกับท่านกับวัดเป็นวันที่แปดไม่ใช่วันที่เจ็ดครับต้องภายในเจ็ดวันครับไม่ใช่ไปครั้งคืนที่อื่นได้เจ็ดคืนเพราะรุ่งอรุณขึ้นของคืนที่เจ็ดแล้วอรุณขนนึ้นมันคือวันที่แปดแล้วใช่ไหมครับร <c oughs> ยังไงครับสี่ตรงไปด้วยเหตุนะครับถ้ามีเหตุจะต้องไปหมายความว่า ไปค้งคืนที่อื่นได้เนี่ยไปด้วยเหตุสี่ตรงนี้เท่านั้นนอกจากนี้ไปไม่ได้ไปได้ครั้งหนึ่งไปได้เจ็ดวันแต่เหตุที่จะไปคือสี่อย่างนี้ไม่ใช่เหตุสี่อย่างนี้ไปไม่ได้อยากจะไปเองไม่ได้ครับสี่อย่างอย่างไดอย่างหนึ่งดูนะข้อหนึ่งทานั้นจะทาตงุงไปเพื่อให้เขาถวายทานครับแต่ไม่ได้ อยู่ดีๆว่าเอ๊เราจะไปให้บ้านโน้นถวายทานหน่อยไปไม่ใช่นั่นหมายถึงว่าเขานิมนมาครับต้องมีการรับรู้กันอย่างเปิดเผยว่ามีการนิมนมาแล้วก็ไปครับอยากจะไปเองไม่ได้เขานิมนเพื่อจะถวายทานเราก็ไปค้างคืนได้ที่ที่จะค้างคืนนั้นที่ไหนก็ได้ครับเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ห้ามให้ค้าง ค้างได้หมดวัดก็ค้างได้บ้านก็ค้างได้กระท่อมก็ค้างได้โคนไม้ก็ค้างได้แต่ว่าต้องกลับภายในเจดวันเกินเจวันไม่ได้2 อ, อันนี้ข้อห น, นี้หมายถึงทายกทา ย, ยิกาต้องการถวายทานใช่ไหมครับต่อไปข้อ2ออุบาสกอุบาสิกาต้องการฟังธรรมครับ ตอนนี้ไม่ใช่ถายยกถายิกานะครับฟังธรรมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาประสงค์จะฟังธรรมอยากจะฟังธรรมนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมโปรดครับเราก็ทำสัตตาหะการมียะไปได้ค้างไม่เกิน7วันอีกครับเขาต้องการฟังธรรมเราก็ไปเพื่อแสดงธรรมนั่นเขาแปลว่าเพื่อฟังธรรมนะ โสตุงแปลว่าเพื่อฟังธรรมันจะซึ่งธรรมไปให้เขาได้ฟังธรรมครับต่อไปตุงที่สามพิกขูนั้นจะปัดสีตงุงมีภิกษุอาวาตนู้นอาวาตนี้เกิดการทะเลาะเบาแวง้งจะแตกสามะคีกันครับทรงข่าวมาพองเราทราบเราก็ตั้งใจไปว่า จะไปสมานสามัคคีครับไปปัดสิตุงไปว่าเพื่อดูเพื่อเห็นเพื่อพบเพื่อเยี่ยมพิกูนังซึ่งพิกษุทั้งหลายไปเพื่อสมานสามัคคีพิกษูทั้งหลายผู้แตกแยกไปได้ครับไม่เกินเจ็ดวันอีกอ <laughs> ท่านขยายว่าไปเพื่อสมานสามัคคีพิกษูผู้แตกแยก ปัดตุงแปลว่าพบแปลว่าพบแปลว่าเห็นแปลว่าเยี่ยมต่อไปตุงที่สมาตาปีตูนันจะอุปัฏทิตุงไปเพื่อดูแลอุปถากรับใช้มารดาบิดายามเจ็บป่วยยามเจ็บป่วยนะ ไม่ใช่อยู่ดีๆเออคิดถึงแม่ไปไม่ใช่เวลาที่ท่านเจ็บป่วยไปเพื่อจะดูแลอุปถากรับใช้ภิกษุนี่พระพุทธเจ้าให้ทำดูแลบิดามันดาได้ทุกอย่างแม้แต่ซักผ้าถุงนะครับอนุญาตให้ทำได้สมัยก่อนก็มีภิกษุรูปหนึ่งได้ผ้าบางสกุลผืนใหม่มา ก็เอาผ้านั้นไปตัดเย็บตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าให้แม่ใช้แล้วก็เอาผ้าถุงเก่าของแม่นะั่นแหะมาซักมาย้อมแล้วก็ตัดเป็นจีวรเนี mm ่ยนมีในวินัยนี้นีอนุญาตให้ทาได้เต็มที่ดังนั้นด้วยเหตุสีตุงเนี้ยไปค้างคืนที่อื่นได้ไม่เกินเจ็ดไม่เกินเจ็ดวันต้องกลับให้ภายในเจ็ดวันกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเอายกมือ ในในวินัยนะครับบุคภิกษุผู้จะถือวินัยขั้นอุกฤษแม้แต่มารดาเดินข้ามสะพานไปกับเราแล้วตกลงไปในลำคลองครับก็อย่าช่วยเพียงแต่ให้โยนเชือกหรือโยนชายจีวรให้จับแล้วก็ดึงขึ้นมาด้วยตั้งใจว่าเราดึงจีวรเราคืน อย่าต้องเนื้อแตะตัวแต่อาจจะต่อแตะเนื้อต้องตัวเลยแม้แต่น้อยนี่ผู้ถือวินัยอุกฤษนะว่าไว้ถึงขนาดนั้น <c oughs> บางทีแม่ตกน้ําลงไปลําคลองถูกกระแสน้ําพัดไปร้องลูกช่วยแม่ทีช่วยแม่ทีเราก็อย่า ก, กระโดดโตนลงไปประคองอุ้มขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> ให้โยนเชือกหรือโยนชายจีวอหรือโยนอะไรก็ได้ให้แม่เกาะแม่แม่เกาะไว้เกาะไว้ แล้วตอนดึงขึ้นมาเนี่ยอยากคิดว่าดึงแม่ให้เรียกว่าเราจะดึงของเราคืนแล้วก็ลากขึ้นมาได้ <c oughs> หมายถึงถืออย่างแข้งครัดนะครับถึงขนาดนั้นถ้าถูกถูกเนื้อต้องตัวจริงๆถูกเนื้อต้องตัวเนี่ยถ้าในอาบัตสังคารทเศษนะมีจิตกำหนัดแล้วถูกเนื้อต้องตัวเป็นอาบัตสังคารทเศษแต่กับพ่อแม่เนี่ยไม่มีจิตกาหนัดแน่นอนละ่ะต้องอบัตถุนลใจ ไม่ถึงเป็นสังคาริเศษเป็นทุนละใจปรับอาบัตได้นั่นหมายถึงถ้าจะถือวินัยอุกฤษเคร่งคัดจริงๆ ร, รักษาวินัยยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดนะครับต้องทำขนาดนั้นแน่โยมก็ยังไม่เข้าใจหมายถึงพูดจะปฏิบัติวินัยอย่างอุกฤตใช่ ถ้าพูดถึงขนาดแล้วอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วนะถ้าถ้าอุกฤิต้องทําถึงขนาดนั้นอย่าคิดว่าจะแตะเนื้อต้องตัวเท่านั้นแม้แต่แม่ตกน้ําถูกกระแสน้ําพัดไปยังไม่ให้จับไม่ให้ดึงไม่ให้ช่วยนะให้ส่งอย่างอื่นให้เกาะแล้วก็ดึงมาแล้วต้องทําใจเลยนะว่าที่เราดึงมาเนี่ไม่ใช่ดึงผู้หญิงมานะแล้วต้องทําใจว่าเราจะดึงบริขารเราคืนมาใช้อุบายถึงขนาดนั้นนะ่ะผู้ปฏิบัติวิเนยเคร่งคัดนะ เล่าว่ามีพระฝ่ายมหาญาณที่ไปเจอผูอ้หญงเนี่ยใช่อ๋อแล้วเาก็เล่าไปแล้วครับก็เล่าไปวินัยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับวินัยบางข้อเป็นสจิตทกะหมายถึงมีจิตคิดจะทําซะก่อนคอยต้องอบัติบางอย่างไม่มีจิตก็ต้องอบัตครับต้องอบัติทีนี้มีปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าในระหว่างเจ็ดวันเนี่ยนะ ถ้าอีกเจ็ดวันจะออกพรรษาทําสัตตาหะกรณียะไปพอครบเจ็วันแล้วถึงวันออกพรรษาพอดีไม่ต้องกลับมาก็ะดาออกพรรษาไปเลยถือว่าพรรษาไม่ขาดเช่นอีกสีวันห้าวันจะออกพรรษาแล้วก็ทําสตาหะกรณียะไปเจ็ดวันเนี่ยมันเลยไป็นถึงวันออกพรรษาใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องกลับมาก็ถือว่าออกพรรษาไปเลยอย่างนี้ไม่นับว่าพรรษาขาดยังใช้ได้ แล้วในกรณีที่ปอปรณ า, า, าเราไปอปอาแล้วเดืนวะันสิบาค่ำท่านบอกว่ายังไปไม่ได้นะนคเขายังไปไม่ได้ยังไม่ครบท่านเข้าพรรษาท่านเข้าวันหนึ่งค่าจะครบสามเดือนเต็มท่านต้องออก mm hmm. ท่านต้องอยู่พรรษาเนี่ยจนครบของวันสิบห้าค่ำจริงจะครบสามเดือน <c oughs> อ๋อนะครับาเขาก็ว่าไปอย่าไปปรับอาบัตพระพุทธเจ้านะครับ <c oughs> <c oughs> ในหลายๆลายี่มีหลายคนทักท้วงว่าอย่างเนี้ยอย่างเช่นแสดงอิทธิปริหารพระพุทธเจ้าห้ามภิกษุอื่นแสดงแล้วทําไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงเองนะปรับอาบัตเอาไว้ภิกษุใดแสดงอิทธิปริหารปรับอาบัตแต่พระพุทธเจ้ายังไม่แสดงแสดงอิทธิปริหารอยู่ พระพเจ้าก็เลยตรัสว่าสิกขาบทที่เรามนต์นั้นสำหรับภิกษุเท่านั้นไม่ใช่สำหรับเราตถากฏถ้าถามว่าขาดัรษาแล้วต้องอาบัติไหมไม่ต้องอาบัติครับแต่ว่าไม่ได้อานิสงส์อยู่จอมพรรษาครับมรรรไม่ ไม่ได้อา น, นิสงส์อยู่จำมันสา5า ห, ห้าอย่างไม่ได้เลยห้าอย่างอะไรบ้าง่ะไปไหนไม่ต้องบอกลาไปไหนมาไหนในยามวิการไม่ต้องบอกลาภิกษุอื่นก่อนไ ม, อไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบชุดฉันอาหารร่วมวงกันได้อะไรอีก รับอดิเลกจีวอนได้อะไรอีกชั้นปรมประโคชนะได้นะถ้าอยู่พรรษาครบปกติห้าอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าจะไม่อนุญาตจะมีอนุญาตเพียงหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาแล้วให้ตีฆ่าเป็นอานิสงการอยู่จำพรรษาห้าอย่างหนึง่งปกติแล้วภิกษุจะไปไหนมาไหนโดยไม่บอกลาภิกษุอื่นก่อนไม่ได้ ค้นเขตอาวาสปรับอาบัตทุกกฎทุกย่างก้าทุกอย่างก้าวนะถ้าไปถึงเชียงใหม่กลับมาแล้วก็น่าดูเลยมาถึงในเวลาวิกาลใช่ไหมครับครับในเวลาวิการเลาารชาเลช้าไม่เป็นไรอย่างท่านจะออกบิณฑบาตต้องบอกกรบกกรแย่เลยหมายถึงเวลาวิกาลครับข้อสองภิกษุเวลาปกตินะจะอยู่ปราศจากจีวอไม่ไตรจีวอไม่ได้ จะไปไหนมาไหนไปค้างคืนที่อื่นต้องเอาจีวรไปครบท้สผืนทุกครั้งขาดไม่ได้เลยแม้แต่ผืนเดียวขาดผืนใดผืนหนึ่งผืนนั้นถือว่าขาดอธิษฐานจะต้องสละใช้อีกไม่ได้แต่พอได้อยู่จำพรรษาครบสเดือนแล้วพระพุทธองค์อนุญาตให้ตีฆ่าเป็นอานิสงส์ว่าไปไหนมาไหนไม่ต้องเอาจีวรไปครบตรได้หนึ่งเดือนตั้งแต่วันออกพรรษาออกไป1เดือน ไม่ต้องอจีวรไปครบเอาไปแค่สองผืนก็พอพราะเวลาออกพรรษาเสร็จแล้วภิกษุจะไปนู่นจะไปนี่จะไปเยี่ยมครูบาอาจารย์จะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ใช่ไมเขาไม่สะดวกที่จะถือจีวรไปครบไตร น, นั้นก็ให้ไปอย่างคล่องแคล่วไม่ต้องเอาไปครบข้อ3ามภิกษุเวลามีลาบเกิดขึ้นในถ้ำกลางสงลาบที่นอกเหนือจากลาบ ปกติเช่นมีคนมาถวายจีวอปกติพผู้เจ้าไม่ให้รับจีวอนผู้เจ้าจะให้รับจีวอปีละสองครั้งเท่านั้นน่ะถ้าไม่ได้อยู่จำพรรษารับปีละครั้งเดียวคือก่อนเข้าพรรษานะก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนถ้าอยู่จำพรรษาด้วยได้อีกสองรอบที่สองคือหลังจากออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนให้รับจีวอได้ถ้ามีคนมาถวายจีวอให้รับได้ปกติรับไม่ได้แต่ถ้าอยู่จำพรรษาแล้ว มีคนถวายจีวรรับได้เกินจีวรที่เราใช้อยู่เนี่ยนะเพราะปกติใช้สามผืนก็ต้องมีแค่สามผืนถ้ามีมาผืนใดผืนหนึ่งเกินมาเก็บไว้เป็นเจ้าของได้เพียงสิบวันเท่านั้นพอครบสิบวันต้องสละออกแต่ว่าถ้าอยู่จำพรรษาครบเก็บไว้ได้ตลอดไม่ต้องนับแค่สิบวันเก็บไว้ได้ตลอดขอให้ได้มีคนมาถวายในระหว่างหนึ่งเดือนออกพรรษาเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีเลยเป็นข้อที่สาม ข้อที่4ปกติแล้วภิกษุไม่อนุญาตให้ฉันร่วมวงกันเป็นคณะตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปไม่อนุญาตให้ฉันร่วมวงกันเป็นคณะตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปแต่ถ้าอยู่จำพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วได้อ น, นิสงฆ์ให้ฉันร่วมวงกันสี่รูปได้เรียกว่าฉันคณะโพชนะได้ ดังนั้นเวลาอื่นเวลาอื่นใครนิมนต์พระไปเลี้ยงโตจีนโตจีนเก <c oughs> ินสี่รูปแล้วนะ <c oughs> หลังจะเอาภรษาแล้วหนึ่งเดือนเท่านั้นฉันได้เวลาอื่นนอกนั้นฉันร่วมวงสี่รูปขึ้นไปไม่ได้สามรูปได้คณะโพชนะฉันเป็นหมูคณะและข้อห้าสุดท้าย ปกติพระผูู้ได้เจ้าท่ารับนิมนต์งานไหนไว้แล้วต้องไปงานนั้นเท่านั้นรับงานอื่นอีกไม่ได้ภายในวันนั้นแต่พอออกพรรษาแล้วอนุญาตแห่งรับงานนิมนต์หลายๆงานวันเดียวกันได้เช่นเช้าไปฉันงานนี้เพนไปฉันงานโน้นรับได้หลายงานแต่ปกติแล้วไม่ได้รับงานหนึ่งแล้ว จะไปรับงานอื่นอีกไม่ได้พอออกพรรษาแล้วอนุญาตให้ได้หนึ่งเดือนอ น, นิสงฆ์ห้าอย่างเนี่ยเป็นอ น, นิสงฆ์อยู่จำพรรษามีระยะเวลาของอ น, นิสงฆ์หนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษาแล้วกลางเดือนสิบเ็ดถึงกลางเดือนสิบสองสิ้นสุดที่วันลอยกระทงนั่นแหละแต่ถ้าในระหว่างหนึ่งเดือนนั้นน่ะหนึ่งเดือนที่ได้อ น, นิสงพ์พรรษานั้น มีทายกทายการนำผ้าจีวรมาถวายเพื่อให้กรานเป็นกระถินภิกษุก็รับกระถินได้เมื่อรับกระถินแล้วกรานกระถินสำเร็จแล้วอานิสงหนึ่งเดือนนั้นจะยืดออกไปเพิ่มอีกสี่เดือนเป็นห้าเดือนอา น, นิสงเดิมเนี่ยหาข้อนี่แหละจะยืดเวลาออกไปอีกสี่เดือนรวมของเดิมหนึ่งเดือนเป็นห้าเดือน หมายถึงมีอ น, นิสงฆ์ห้าอย่างที่ว่ามาเนี่ยจนถึงกลางเดือนสี่เราเราจำวัดในห้องนสมมติว่าเราไม่ได้เอานอนครับนอนครับนอนในห้องทาไม เ, <ร>าเลยวาไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาไตรกิรไว้เก็บตัวตลอดเวลาแต่แว่าเอาอาจจะพาดไวที่ไหนก็ได้นะองออยังม่จะถือว่าจบปัญหา คำว่าอยู่ปราศจากจีวรเ น, นี่ยนะครับภิกษุผู้บวชใหม่นาวักภูมิท่านให้นำใรจีวร น, นี้อยู่ในหัตถบาตครับภิกษุผู้รู้สีขาบทวินัยดีชัดเจนแล้วเข้าใจปาฏิโมกดีไม่จำเป็นจะต้องให้จีวร น, นั้นอยู่ในหัตถบาตเพียงแต่กำหนดได้ว่าจีวร น, นั้นอยู่ตรงไหนยังปลอดภัยดีไม่ถูกหนูกัดไม่ถูกฝนรั่วใส เรากำหนดที่ได้ชัดเจนว่าในจีวรเราห้อยอยู่ตรงเนี้ยปลอดภัยดีฝนไม่รั่วตรงเนี้ยนั่นแหละอธิษฐานได้ไม่ปราศจากจีวรฮะเหมือนกันทุกอย่างบาทด้วยเอาคำว่าอธิษฐานคำว่าอธิษฐานกแปลว่าใส่ใจไงครับไม่ใช่ไม่ใช่ยกจีวรมาใส่หักของบุบมุบนี้อธิษฐานไม่ใช่ครับคือใส่ใจครับ หมายถึงว่าตั้งแต่องรุณขึ้นของวันนี้จนไปถึงอรุณขึ้นของวันพรุ่งนี้แม้จีวรท่านจะห่มติดตัวอยู่แต่ท่านไม่เคยใส่ใจในจีวรเลยถือว่าขาดครับไม่รู้เลยว่าที่เราห่มอยู่นะี่คือจีวรไม่เคยใส่ใจเลยไม่เคยใส่ใจว่านี่จีวรของเราพระคำอธิฐานคือนี่จีวรของเราใช่ไหมครับนี่จีวรของเราก็ห่มไปอย่างนั้นะห่มไปไม่ได้ใส่ใจเลย สังคติกรพัดเช้ชาพัดเย็นธรรมวัฒช้ชาธรรมวัฒเย็นแต่ไม่รู้ไม่เคยใส่ใจรู้ว่านี่สังคติของเราสักแต่ว่าประ เ, เ, นะเรพณีอะไรเงี้งยคําว่าคําว่าขาดอาธิษฐานนี่หมายถึงว่าต้องทุกวันอธิษฐานนี่คือทุกวั น, วนเริ่มตั้งแต่การทํากินทุ ก, กับปะเป็นจุดเริ่มต้นจนกว่าจะสละผ้านั้นหรือผ้านั้นทําการอธิษฐานไม่ได้อีกต่อไปแล้วทุกวันต้องมีอธิษฐาน วันไหนไม่มีที่ฐานวันนั้นขาดทันทีต้องสละเป็นนิสกียปาจิตตีต้องบวาทุกวันตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงอรุณขึ้นถ้าช่วงอรุณไหนไม่ได้อธิษฐานเลยถือว่าจีวรขาดแล้วใช้อีกไม่ได้ครับต้องว่าอย่างนั้นนะครับ เนี่ยจีวรของเราครับนี่เนี่ยในจีวรของเราอันนี้อันนี้สังขติของเราอันนี้จีวรของเราอันนี้สบงของเราต้องว่าทุกวันครับจะว่าออกเสียงหรือเพียงแต่ส่งจิตถึงก็ได้ครับให้กําหนดรู้ได้จะได้รู้ว่าผ้าของเราเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอะไรไม่ฉีกไม่ขาดใช่ไหมครับใส่ใจทุกวันทุกวันจีวรมีสามผืนผ้าอื่นนอกจากนั้นเป็นผ้าอาศัยแบบไทยๆแต่บาลีท่านเรียกว่าบริขาโจระ บริขารโจละโจละรอลิงก็ได้รอจุลาก็ได้แปลว่าจุลละแปลว่าเล็กน้อยบริขารเล็กน้อยบริขารปรีดย่อยไทยเรียกว่าผ้าอาศัยหรือผ้าสับเปลี่ยนผ้าผัดเปลี่ยนบริขารโจละครับต้องอธิษฐานทุกอย่างที่ท่านมีท่า น, านต้องอธิษฐานครั บ, ไ ม, บรไม่ใช่พิจารณาใช้อีกเรื่องหนึ่ง พิจารณาใช้ก็เรื่องหนึ่งพิจารณาใช้นั่นพิจารณาทุกครั้งใ น, นขณะที่ใช้ส่วนอธิฐานเนี่ยคือคือหนึ่งรอบอรุณเนี่ยอธิฐานหนึ่งครั้งเขพอเพราะฉันคณะโคชนะโดยปกติถ้าไม่ใช่อยู่จำพรรษาร่วมกันไม่ได้ฝึกมารยาทมาร่วมกันเนี่ยนะถ้าภิกษุมาจากหลายสำนักมาจากหลายลททัทธิทิฏฐิมาจากหลายอาจารยมารยาทธรรมฉันร่วมกันเนี่ย จะทำให้พิสูจน์เนี่ยตําหนิกันได้องค์นี้ชอบน้าพริกฉันแต่น้ําพริกและอย่างอื่นไม่ฉันเลยองค์อื่นก็จะตําหนิดูสิองค์เนี้ยเรากัดจะฉันซะหน่อยหมดซะแล้วตําตหนิกันได้เป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะเป็นจุดเริ่มต้นของสังฆเภทดังนั้นจะไม่อนุญาตให้ฉันร่วมกัน นันพอออกพรรษาปุ๊บแล้วให้ฉันร่วมกันได้ในระหว่างพรรษาสามเดือนเนี่ยก็จะมีข้อปฏิบัติร่วมกันอีกว่าภิกษุจะต้องสงเคราะห์กันด้วยธรรมวินัยหมายถึงว่าผู้มีความรู้จะต้องอบรมสั่งสอนผู้มีความรู้ได้กว่าผู้มีความรู้ได้กว่าก็จะเรียนรู้สร้างความเคารพนับถือผู้มีความรู้มากกว่าหลังนั้นก็ถือว่ามีสมานะสังวาสพฤติกรรมใกล้เคียงกันให้ฉันร่วมวงกันได้ก็เหมือนกับเอาสัตว์มาอยู่ด้วยกันเนี่ย สัตว์มันไม่เคยคุ้นเคยกันมากัดกันอย่างเดียวถ้าขังกันไว้สามเดือนรวมกันไว้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่กัดกันแล้วเหมือนกันควรแยกควรแยกปกติเขาแยกอยู่แล้วล่ะแต่ส่วนมากนะถ้านิมน์พระไปฉวดอไปนิมนท์พระไปสวดมนต์ฉันเพนเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ก็จะ9้ารูปก้ารูปก็จะสองสองวงสองวงวงหนึ่งกับ4วงหนึ่งกับหใช้ไม่ได้เลยต้องสมวงถึงจะดีต้องสวงวงละ3าแส่วนมากจะแยกสองวงก็ถือมาเป็นธรรมเนียมแล้วแต่บังเอิญว่าถ้าพระอยู่ในระหว่างที่ท่านได้รับอันิสงส์ตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงกลางเดือน4เนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่าพระก็ไม่ผิดวินัย แต่ถ้าเวลาอื่นจากนั้นถือว่าผิดวินัยชี้แจงแนะนําเขาได้อืบอกได้มานิมน่ะใครละเป็นคนรับนีมน่ะไม่ใช่โยมเป็นคนรับก็พระนั่นแหละเป็นคนรับอ่ะก็คุยให้เข้าใจก่อนโยนจะทําบุญอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้นะยนี้นะเพราะส่วนใหญ่โยมเขาจัดงานก็มายืมภาชนะ ของใช้ในวัดเดี๋ยวแล้วก็แนะนําสิเอาอย่างนี้นเนี่ยทางนี้ทางนี้นะแต่ส่วนมากจะไม่พูดอ พ, พอร<อ>ับนิมนต์แล้ววันไหนล่ะไปยังไงล่ะให้อาร์ไปเองหรือจะเอารมารับแค่นี้ก็จบแหละ้วาวบ้านก็ไม่ไม่รู้อยู่แล้วเจ้าบ้านอะไม่รู้อยู่แล้วเจ้าบ้านก็ทําทําทําตามใจคิดว่าอย่างไงจะดูดียังไงจะเหมาะก็ทําไปตามชาวบ้าน ถวายไตรใดๆก็ตามถ้าในการที่อนุญาตให้รับได้เนี่ยเขรับไว้ได้เลยกี่ไตรเขรับไว้ได้แต่ถ้านอกการเนี่ยถวายได้แต่งรับแล้วจะเก็บไว้ได้ไม่เกินสิบวันต้องแจกจ่ายผู้อื่นต้องสละเก็บไว้เท่าที่มีไตรเดียวที่ใช้นะเท่านั้น ส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยระบายนะเก็บใส่ตู้ไว้เต็มผ้าบวชใหม่ก็คือผ้าบวชใหม่ผ้าบวชใหม่จะไปไหนมาไหนโดยที่ไม่มีพระเก่าอายุพันามากกว่ากันหกพันาไปไม่ได้เลยผ้าบวชใหม่จะต้องมีพี่เลี้ยงในระหว่างที่บวชใหม่จนถึงพันศาหเนี่ยนะ จะต้องมีพี่เลี้ยงที่มีพรรษากว่าตนหกพรรษาไปด้วยจึงจะออกนอกอาวาสไ ด, สได้สามรูปเป็นวงใช่ไหมอ่าได้สามรูปไม่ว่าพระไหนพระบวชใหม่พระบวชเก่าเขาไม่ได้ต้องฉันสามรูปวงละสามรูป บางทีบางทีบางบ้านน่ะเจ้าภาพทำถูกแต่พระโอ้ยยอมรวมเลยรวมเลยฉันแยกกันไม่อร่อยนี่มารวมกันนี่บางทีพอรวมกันแล้วเป็นยังไงล่ะฉันไปคุยกันไปปรับอบัติทุกคำที่พูดเข้าอยู่ในปากพูดทีไรปรับอบัติทุกกดทุกที <laughs> ถ้าเป็นทุกวันนี้ก็เนี่ยก็จะมีมีโต๊ะจีนบ่อยแปดรูปเก้ารูปไนตอนนี้ยังยังสเดือนมาแล้วด้วยใช่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงห้างอยู่ช่วงหามถ้าสมมติเกิดมีการมีคนอย่างนีาก็แย่นั่นหะเวลาฉันข้้งบนธรรมชัยโยมจัดเป็นสองวงสองวงนะไม่จัดเป็นวงเดียวข้างบนนะผ้าสี่รูปก็ให้จัดสองวง ถ้าไม่ถึงสีรูปถึงจะให้จัดวงเดียว <c oughs> จัดสองวงโอ้ยอย่าลำ บ, บากครับโอ้ยท่านต้องใช้อำนาจด้เลยเลครับแค่นี้ลองไปฉันลองผมเี่ยงงี้องค์ยังงี้สองค์นี้เราไปพูดหน่อยรับผมโดนเตะเลยใครใครเตะครับ ย้ายวัดครับไม่ต้องอยู่ครับเออนั่นกะย้ายเลยเวลาพูดเรื่องตอนถวายกระคิดนี่ตามปกติผมผมเห็นเขาการการถือเดี๋ยวผมกเจะวับ ดูต่อไปนะดังนั้นในการใชบราษาใป็นเรื่องของพระนี่แหละก็เกี่ยวข้องกับโยมด้วยปัจจุบันก็มีนิยมถวายผ้าจํานำพรรษาถวายเทียนพรรษาทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะและ้วถวายเทียนบรรษาพระไม่ใช่พระท่านบนบอก ว, ว่าโยมถวายเทียนมาแล้วจุดไม่ได้ทุกวันนี้โบสถ์วิหารแต่งสวยเหลือเกินควันเทียนควันธูปมันล่มขี้เละหมดเลยไม่เอา เปลี่ยนเป็นหลอดไฟได้ไหมมนนีไฟฟ้ า, าโยมก็เปลี่ยนจากเทียนภรรษาไปถวายหลอดไฟจริงๆถวายเทียนเนี่ยดีกว่าท่านจะไปจุดทำไมอยู่ในโบสถ์ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเทียนนี่ให้ไปจุดตอนอ่านหนังสือตอนเรียนหนังสือครับไปจุดทำไมตอนไหว้พระไปจุดเทียนจอ่อคางพระพุทธเจ้าควันเต็มหน้าดาหมดออจุดท า, าไมไปทรบาบกัน อุย้ยเครื่องสักการะมีตั้งหลายอย่างออครับเขาบออยนี้เขาก็ต้องทำที่ขออา้าพเจ้าพูดเทียนระหว่างพรรษาเนี่ยเป็นระหว่างที่พระท่านไม่สัญจรไปไหนมาไหนจะต้องอยู่ในพรรษาเพื่อศึกษาธรรมวิ น, นัยเทียนที่ถวายนี่คือเอาไปส่องทำครับเวลาศึกษาเราเรียนเขใช้เทียนเนี่ยส่องไม่ต้องไปจุดไหว้พระถ้าถวายหลอดไฟนะถวายแล้วแล้วไปเหมือนเทียนที่ไหนเทียนถวายแล้วจุดใช้เมื่อไหร่ก็ไม่ได้เปลืองเงิน ถอยหลอไฟไปเปิดเมื่อไหร่เพื่อเงินเพิ่มทุกทีใช่ม <laughs> <อ>มามาดูต่อต่อไปอุทาหอนข้อห้าข้อหนะ้านะมะยังปาลิพาสังสิขิตุงปัญจามาสังอิมังวิหารรังอาขมิมมหา เข้ากับเนื้อความที่เรากำลังเรียนอยู่นี่แหละมะยังแปลเราทั้งหลายอาคมิมมหามาแล้วอันนี้เป็นเป็นมหาในอัชชตนีวิพัฒนอาคมิมมหามาแล้วอิมังวิหารรังสูวัดแห่งนี้ปัญจะมาสัง ตลอดห้าเดือนสิกิตุงเพื่อศึกษ า, เ พ, กษาเพื่อเรียนปาลิภาษาซึ่งาิภาษาบาลีซึ่งาภาษาบาลีพวกเราพากันมาสู่วัดนี้ตลอดห้าเดือนแล้วเพื่อเรียนบาลี5้าเดือนหรือ ย, ยัง <laughs> ห้าเดือนพอดีแหละมาถึงตรงเนี้ย มีธุติยาหลายตัวปาริภาสังก็เป็นธุติยาวิพัฒแต่เข้ากับสิกิตุงส่วนปัญจะมาสังเป็นอัจารตะสังโยคะส่วนอิมังวิหารรังนั้นเป็นกรรมธรรมดาสู่วิหารแห่งนี้แล้วก็ตลอดห้าเดือนต่อไปข้อหกสัพพังรัตติงสุปินังนะลภามิ มายังหรืออหางอหังเราละพามิมีนะปฏิเสธให้แปลพร้อมกันเลยว่าณละพามิย่อมไม่ได้สุปินังซึ่งการฝันซึ่งการหลับซึ่งการห ล, ล, ลับสัพพะรัติงตลอดคืนตลอดตลอดคืนทั้งปวงตลอดทั้งคืนนะเพราะ ถ้าบอกว่าตลอดคืนที่เฉยไม่เอาสับพระใส่นะก็เดี๋ยเอ๊ะหลับหนึ่งยามไม่หลับสองยามอาจเป็นไปได้หรือหลับหับตื่นตื่นใช่ไหมครับแต่บอกว่าสับพังรัตติงนี่คือตั้งแต่นอนจนสว่างเนี่ยไม่หลับเลยสักนิบเดียวไม่หลับทั้งคืนเลยข้าพเจ้าไม่ได้การหลับทั้งคืนนอนไม่หลับทั้งคืนฮะตลอดทั้งคืนเอาจิตฟุ้งซ่านรําคาญเรียนบาลีไม่เข้าใจอาจจะนอนไม่หลับได้ หรือบางทีก็ทำการบ้านไม่ได้รบางคนยังไม่ได้ส่งเนี่ยหืไม่ส่งแล้วเกินเวลาแล้ว นะสุปินังสับแปลว่าหลับก็ได้แปลว่าฝันก็ได้ต่อไปข้อ7จเอกะทิวสังสิปังอุคันหามิอุคันหามิย่อมเรียนเอา10บปังซึ่งศิละปะวิทยาเอกะทิวสังตลอด1วันตลอด1วันก็คือ1วันเนี่ยเรียนเต็มวันเลยว่างั้นเถอะ เรียนเต็มวันเรียนทั้งวันเรียนตลอดทั้ง1วันเนี่ยวันอื่นก็เรียนไม่เต็มวันแต่วันเนี้ยเรียนเต็มวันก็เลยใช้เอกภิวสาซึ่งศิละปะตลอด1วันเรียนเอาความรู้ตลอด1วันต่อไปข้อ8เป็นคาถามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่28 ขุทักานาิกายชาตกะชาดกว่าสังวัชงรางวาอูนังวาปังรีฮังรตวาวิชา ย, ยติเตนะสาชนะยันตีติชนะตีเตนะวุจติคาถานี้ท่านพันานาคุณของมารดามีหลายคาถาแต่ว่ายกมาคาถาเดียวเพราะคาถาอื่นไม่มีอั จ, จัรตะสังโยค แต่คาถานี้มีอั จ, จารย์แตสองโยคะสองคำที่เป็นอังวิพัตเห็นไหมสังวัตชังรังแปลว่าตลอดปีวาแปลว่าบ้างอูนังย่อนปีบ้างอูนังวาตลอดหนึ่งตลอดย่อนปีบ้างตลอดปีที่ย่อนบ้างออาจจะแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนคือไม่ครบสิบสองเดือนถ้าครบสิบสองเดือนก็เป็นสังวัตชังรัง ปังรปิปังริหังริตัวแปลว่าบริหารบริหารบริหารมีหลายอย่างวิชาญติแปลว่าย่อมคลอดเตนะเพราะเหตุนั้นสามาตามานดานั้นวุตจติถูกเครียกชนะยันติติทยชนะยันติอิติว่าชนะยันติบ้าง ชนเนติว่าชนเนติบ้างคาถานี้แปลว่าสาม า, านานันปะริหั ง, งริตวาบริหารแล้วคับพังไม่มีในคาถาเนี้ยขับพังแปลว่าซึ่งคันพอพานพอสำเภาคับพังขอควายพอพานจุดพอสำเภานี่ก็หิต คับพั ง, รงรววบริหารแล้วขับพังซึ่งคันสังวัดชังรังวาตลอดหนึ่งปีบ้างอูนังวาตลอดปีที่ไม่เต็มก็คือตลอดปีที่พร่องบ้างตลอดไม่ครบปีแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนวิชายติ ย่อมคลอดบริหารท้องมาตั้ง8เดือน9้าเดือน10เดือนหรือปีหนึ่งบ้างแล้วจึงคลอดเตนะเพราะฉะนั้นเตนะเพราะฉะนั้นวุตจติท่านจึงเรียกย่อมถูกเรียกวุตจติเป็น ร, รมนะชนะยันตีติว่าชนะยันติ ชนะยันติอ๋อแปลหรือแปลว่าผู้ให้เกิดแปลว่าผู้ให้เกิดแปลว่าผู้ให้กําเนิดภาษาไทยชนะยันติหรือชนติชนติว่าชนติว่าชนะยันติบ้างว่าชนติบ้างชนติก็แปลเหมือนกันแปลว่าผู้ให้เกิดเหมือนกันผู้ให้กําเนิด มารดาใดอุ้มท้องมาเต็มปีบ้างไม่เต็มปีบ้างแล้วจึงคลอดบุตรมารดานั้นแหละท่านเรียกว่าชนะยันตีหรือชนะตีนีนนะชนะยันติชเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดโดยความหมายสังวัชงรังกับอูนังตัวนี้แหละเป็นกาละอาจารย์ตสังโยคะตลอดเวลาเต็มปีตลอดเวลาไม่เต็มปี มาจากไหนท่านบอกว่า <c oughs> ในชาดกเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านพัฒนาคุณของมารดาพัฒนาคุณมากนะสิ่งที่มีคุณมีหลายชั้นนะอย่างคาถาโรคโลกนิติก็มีสุขารุปขัสสะฉายาวะมาตาปิดมาตะโตมาอะไรนะตะมาตา <c oughs> สุขังรุปขสสายาวะตะโตตะโตมาตาปิตุตะโตอาจาริโยรัโยตะโตพุทธะเมราชาสุขังรูปขัสะายาวะตะโตยาติมาตาปิตุตะโตยาติมาตาปิตุตตตาตาตท่านบอกว่าร่มไม้ ให้เงาเย็นสบายก็ถือว่ามีคุณแต่ว่าร่มของญาติเย็นกว่าร่มไม้ร่มของมารดาบิดาเย็นกว่าร่มหมู่ญาติร่มของครูอาจารย์เย็นกว่าร่มมารดาบิดาร่มของพระราชาเย็นกว่าร่มของครูบาอาจารย์ร่มเงาพระศาสนาเย็นยิ่งกว่าร่มทั้งหมดเป็นต้น ใครก็ตามหัวละลึกได้ว่ามารดานั้นมีคุณมากเพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างน้อยนี่คือคุณอย่างหนึ่งว่าอุ้มท้องมาตลอดเ้าเดือนหรือตลอดทั้งปีแล้วค่อยคลอดออกมาเราก็เรียกท่านว่าผู้ให้กำเนิดนะเราเรียกว่าผู้ให้กาเนิดแล้วจะทดแทนคุณท่านทำอย่างไรจึงจะหมดท่านบอกว่าต่อให้นะต่อให้ ยกมารดามานั่งอยู่บนบ่าข้างขวายกบิดามานั่งอยู่บนบ่าข้างซ้ายแล้วเลี้ยงดูท่านให้อิ่มหนำสําราญยอมให้ท่านถ่ายอุจจาะระภาษาวะลดไหลลดหลังเราทุกวันทุกวันอย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าได้ทดแทนบนคุณส่วนลูกคนใด สามารถทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธากลายเป็นผู้มีศรัทธาไม่เคยให้ทานได้ให้ทานไม่เคยรักษาศีลได้รักษาศีลไม่เคยฟังธรรมได้ฟังธรรมกลายจากมิจฉาทิฐิให้เป็นสัมมาทิฐิได้นั่นแหละท่านเรียกว่าได้ทดแทนบุญคุณอย่างแท้จริงค ม, มจะไม่บวช ก, ก็ตามับบวชดยไม่บวชก็ตาม ตงง แ, แต่ทุกวันนี้ห่วงอยู่แต่ว่าพ่อแม่นะ่ะมีศีลอยู่แล้วลูก <c oughs> ลูกมีไม่เท่าแม่มีต้อจะทดแทนยังไงไหว <c oughs> พราะพ่อแม่ดีกว่าลูกก็เป็น อ, อนุนชาตบุตรอวชชาตบุตรอะไรนะบวช เ, เฉยยังไม่ทดแท น, นครับ <c oughs> บางทีแม่เไปบวชก็ดีว่อยู่บ้านขอตังค์บ่อยเหลือเกิน พ่อบวชแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่ที่ชื่อว่าทดแทนมุ่งคุณแล้วไม่ใช่ทํำให้พ่อแม่มาวัดฟังทำรักษาศีลได้ไหมทําให้ความเข้าใจผิดหลายๆอย่างกลับมาเข้าใจถูกได้ไหมจากนั้นจึงจะได้ชื่อว่าทดแทนครับอ้าวโจทย์คาถามารดานั้น มารดานั้นอุ้มท้องตลอดปีบ้างหย่อนปีบ้างมารดานั้นอุ้มท้องตลอดปีบ้างหย่อนปีบ้างแล้วจึงคลอดบุตรแล้วจึงคลอดบุตร เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าชนะยันตีหรือชะเนตีเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าชนะยันตีหรือชนะเนตีผู้ให้กําเนิดผู้ให้กําเนิดชนะยันตีเนี่ยลงนัยะปัจจัยชนะเนตีนีลงเนปัจจัย จำได้ไหมปัจจัยสี่ตัวเนนยะนาเปนาพะยะนั่นะแปลว่าให้ใช่ไหมแปลว่าให้ชนะธาติแปลว่าเกิดชนะยันตีชะเนตีก็แปลว่าผู้ให้เกิดผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าชนะยันตีหรือชนะเนตีผู้ให้กำเนิด เทนัทตุเตนัทตัวที่สองเข้าตรงครับเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับแต่เราเพราะฉะนั้นเดียวไม่ต้องหลายเพราะฉะนั้นนะครับท่านแปลสองทีว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกชนะยันตีเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าช น, นตี อ, อยู่นี่ใครเป็นแม่บ้างยกมือหน่อยสิห้าคนเองหกคนเอาละ คงเข้าใจแล้วส่วนคนยังไม่ใช่แม่นี่ยากจะเข้าใจอ่ะแปลดูซิทีเนี้ยตั้งแต่ข้อหนึ่งมาข้อหนึ่งมาสังมังโสทโนโหติเข้าครุกเนื้อมีอยู่ตลอดเดือนสัพพากาลังวิหารโกระมนิโย วิหารร่มรื่นตลอดการทั้งปวงขราวาโสติยามังสยติขราวาตย่อมนอนตลอดสามยามอิมัสมิงวิหารเร อ, อิมังเตมาสังวัตสังอุเปมิข้าพระเจ้าขออยู่จำพรรษา ในวัดแห่งนี้ตลอดสามเดือนนี้มะยังปาลิภาสังสิกิตรงปัญจะมาสังอิมังวิหารรังอาคัมมิมมหาเราทั้งหลายมาแล้วสู่วัดแห่งนี้ตลอดห้าเดือน เครื่อเรียนภาษาบาลีสัพพะรติงสุปินังนะละภามิย่อมไม่ได้ซึ่งการหลับตลอดทั้งคืนเอกะทิวาสังสบ ป, ปังอุคันหามิย่อมเรียนเอาซึ่งศิลปะตลอดหนึ่งวัน สังวัดชังรังวาอูนังวาปังฑริฮันริท ว, วาวิชายติเตนะสาชนยันติติชะเนติเตนวุจติมานดานันอุ้มท้องตลอดปีบ้างย่อนปีบ้างแล้วจึงคลอดบุตร เพราะฉะ น, นั้นท่านจึงเรียกว่าชะนะยันตีหรือชเนตีผู้ให้กาเนิดสงสัยคำไหนถามเปิดไปหน้ายี่สิบแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลีทีนี้มีสามข้อข้อหนึ่งน้ำและข้าว ย่อมเพียงพอตลอดปีข้อ2กรุงเทพมหานครร่มรื่นตลอดการทั้งปวงข้อ3เราจะเรียนภาษาบาลีตลอด3มปีอะไรตลอด3มปีสำรักเลยแค่ห้าเดือนนี่ก็แย่แล้วชีวิตหนึ่งเนี่ย อ่าแปร ى. น้ำไรข้าวบาลีว่าไงน้ำละข้าวน้ำละข้าวจะใส่จ่าควบสองศัพท์ก็ได้หรือจะเข้าสมาดไปเลยก็ได้น้ำไรข้าวเนี่ยน้ำบาลีว่าอูทะกะข้าวบาลีว่าอืมแล้วก็ใส่ว่าอูทะกังจะอ น, นังจะ อุทกังจะอันนังนหนูสองตัวอันนังจะตลอดปีสับว่าปีรู้มาแล้วว่าสังวัตชังรังย่อมเพียงพอย่อมเพียงพอเนี่ยสับนี้เรายังไม่เคยพบมาก่อนให้เขียนว่าปะโหติปะโหติปะโห ต, โติจริงๆโหติแปลว่ามีพอมีปะอยู่ข้างหน้านี่แปลว่าพอปะโหติ อุทกังจะอ น, นังจะสังวชัชจรังปะโหติมีมากนะแปลว่ามีมากเพียงพอสังวชัชจรังแปลว่าในคาถาเมื่อกี้ไงในคาถาข้างบนนะคาถาคาถาแม่เมื่อกี้เนะี่ยอยู่ไหนไ ต่อไปข้อ2กรุงเทพมหานครร่มรื่นตลอดการทั้งปวงกรุงเทพมหานคร ว, ว่าเทวมหาเทวะมหานครั้งกลางคาราสับนะนครราสับเนี่ยเป็นนักปุงสกปริ่งก็ต้องว่านครังเทวะมหานครังกลางตลอดการทั้งปวงว่าไง สัพพากาลังร่มรื่นว่าอย่างไรอ่าต้องให้ตรงลิงกันนะกรุงเทพมหาคนครเป็นปุงลิงรามนียะก็ต้องให้เป็นปุงน้ปุงสกังลิงตามกันปุงลิงก็เป็นปุงลิงหน้ปุงก็เป็นน้ปุงต้องมีลิงตรงกันเทวะมหานครังสัพพกาลังระมะนียังอระมะนียัง ข้อสามเราจะเรียนภาษาบาลีตลอดสามปีคำว่าจักต้องใช้วิพัฒน์ให้ถูกเป็นอนาคตเร า, เ, าเราเราเราเราเรากี่คนถ้าหลายคนก็ทั้งหลาย ใช้มะยังก็ได้อาหังก็ได้แต่ว่าต้องใส่วิพัฒน์ให้ตรงกันด้วยเอามะยังเอาถ้าใส่มะยังเอามะยังตลอดสามปีสามเมื่อกี้เห็นมาแล้วอย่างเช่นติยามังก็เอาเอาติเนี่ยมาใส่กับปีติสังวัตชังรังติสังวัตชังรัง ปาลิภาสังใสพระวิสันติวิพัฒ์จักเนี่ยอุคันหิตสามะมะยังมะยังติสังวัตชังรังอ่าอุคันหิตสามะหิหิสามะวิพัฒนไงพวิสันตี มายังติสังวัชงรังปาลิพาสังอุคคันหิตสามะอุคันหามิอุคันเมื่อมิให้เปลี่ยนมิพัทไปเปลี่ยนมิพัทเป็นสสามิมาามถ้าอหังก็เป็นอุคันหิตสามิธรรมายังก็เป็นอุคันหิตสามะมให้ตรงกัน ทันไหมไม่ทันถามหมดแล้วเท่านี้และส า, า, ามคำสี่คำมีสี่คำมายังติสังวัชงรัง ป, ปาลิภาสังปาลิภาสังมีวาภาษาบาลีอยู่ปาลิภาสังอุกันหิตสามะามตลอดการจบไปแล้ว ต่อไปข้อขอตลอดระยะทางไกลต่อไปเป็นตลอดระยะทางนะตลอดว่าตลอดการตลอดเวลาว่าจบแล้วข้อขออัธานา จ, จันตสังโยคแปลเหมือนเดิมว่าแปลว่าตลอดหรือแปลว่าสิ้นเหมือนเดิมแต่ว่าใช้กับระยะทางใช้กับระยะทางคำไหนที่เป็นคำบอกระยะทาง ลงทุติยาวิพัฒน์ที่คํานั้นแหละข้อหนึ่งโยชนังวะนาราชิปกาสติปกาสติถ้าแปลไม่ออกก็ดูข้างล่างอ๋อไม่มีเหลยไม่มีก็แปลว่าปรากฏปรากฏย่อมปรากฏปกาสติแล้วแปลว่าย่อมประกาศนะท่าทัศน์ ทับสับเราแปลงั้นแต่ถ้าแปลว่าย่อมปรากฏโยชนังแปลว่าตลอดหนึ่งยอหรือไม่หนึ่งก็แปลว่าตลอดโยอวะณะก็แปลว่าป่าราชิแปลว่าแถวแปลว่าแนวแปลว่าละเมะแปลว่าระเบียบวะณะราชิในแปลว่าแนวป่าประการสติแปลว่าย่อมปรากฏวะณะราชิแนวป่าแนวแห่งป่านั่นแหละ ปากาสติย่อมปรากฏโยชนังตลอดโยตอย่างเราวิ่งออกไปชายทุ่งเราก็จะเห็นว่าแนวป่าเป็นทิวแถวยาวโยตหนึ่งเช่นไปเห็นที่ใครเขาไม่รู้ปลูกต้นสนเอาไว้เป็นที่เขายาวหนึ่งโยตอะไรเงี้ยเราเห็นป่าเป็นแนวเป็นแนวเป็นแถวเป็นช่องต่อไปข้อสอง คาวุตังปปะพะโตทีโคคาวุตังแปลว่าตลอดคาวุตตลอดคาวุตประพะโตคือภูเขาไทยทับศัพท์ว่าบรรพดทีโคแปลว่ายาวปปะพะโตภูเขาทีโคยาวคาวุตังตลอดคาวุต ดูข้างล่างว่าคาวุฒิหนึ่งคาวดยาวเท่าไหร่นั่นคำว่าคาวุเนี่ยแปลว่าได้เห็นโคที่เดินเดินอยู่เหมือนกับมันยืนนิ่งๆถ้าสมมติเราเดินพุ่งกว้างๆนะโคมันเดินไปเรื่อยแต่เราดูแล้วมันยืนมันหยุดเฉยๆเนี่ยหยุ ด, ย ด, ยดนิ่งนั่นแหละเรียกว่าคาวุประมาณ4ี่กิโลเมตร ก็เนี่ยเขาว่าอย่างนี้ก็เดินปกติของมันนั่นแหละมันไม่ใช่วิ่งอืมเป็นระยะที่มองเห็นโคเหมือนหยุดนิ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรามองไปที่ระยะทางสี่กิโลเมตรเราเห็นโคตัวหนึ่งมันเดินอยู่ใช่ไหมห่างจากเราหนึ่งสี่กิโลเมตรเนี่ยมันเดินอยู่แต่เรามองดูแล้วเหมือนกับมันยืนอยู่เฉยๆมันกลาอ่ะ ไม่ใช่เราเห็นโคเดินไปไกายสี่กิโลเมตรไม่ใช่หรือเราไม่ใช่โคอะไรก็ได้แต่คําว่าคาวุสเนี่ยมันแปลว่าโคงไงอืคําว่าคาวุสเนี่ยมาจากคามาจากโคบวกบวกอุต ะ, ต ะ, ตะโคโคโคเป็นคาวะไงเราเรียนโคศัพท์มาแล้วกับอุตะโคกับอุตะ เอาถ้ายุงเท่ไม่เห็นแน่ต้องไปกลางทุ่งสิไปกลางทุ่งนู่นไปแถวอยุธยา <c oughs> ที่มันโลง่ลงๆอ่ะหน้าแรงอ่ะ <c oughs> ถ้าสายตาไม่ดีก็มองไม่เห็น <c oughs> มองก็เห็นไกว่วาเดียว <c oughs> ไหนครับ <c oughs> จริงๆอุตตานี่ยครับเขาแปลว่าเขาแปลว่าร้องนะครับ ถขาแปลว่าร้องแต่คําว่าคาบุตตะนี่แปลว่าจริงๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้ยินเสียงโคลงนะครับแล้วแต่ว่าหนังสือต่างๆท่านอธิบายว่าคําว่าคาบุตเนี่ยหมายถึงว่าเห็นโคลที่เดินๆอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมันหยุดนิ่งๆอยู่ทีนี้ที่ตีมาว่าสี่กิโลเมตรเนี่ยในมาตราท่านเทียบว่าสี่คาวุตเป็นหนึ่งโยต์สี่คาวุตเป็นหนึ่งโยต์ดังนั้นโยตหนึ่งก็จะคูณสี่สี่สี่สี่สิบหก แปลว่าภูเขายาวหนึ่งายาวตลอดเราตลอดขาวุฒข้อสมมัคคัะปัญจโยชนานีอา้อาคตมหิอาคตมหิเป็นสนธิเป็นอาคตโตบวกอัมหิอัมหิอัสมิอัมหะอัสมะยังจําได้อยู่ไหมถ้าจําไม่ได้ก็ย้อนคืนไปดูนะ ห, หน้าหน้าต้นต้นหน้าหหน้าหก็จะมีอัมหิอัสมิอัมหะอัสมะอยู่แปลว่า มีแปลว่าเป็นนั่นแหละอัมหิก็อาหังอัมหะก็มะยังหน้าหกเดียวเห็นไหมอ่ะไม่เนี่ยเนี่เนี่ยอัมหิเนี่ยอัมหิอัมหะเนี่ยอ่ะกลับมาดูอัมมะหิก็รู้ว่าประทานคืออาหังอาหังข้าวใบเจ้าอารคโตอัมหิ เป็นผู้มาแล้วเป็นผู้มาแล้วปัญจโยชนานิตลอดโยต์ทั้งหลายห้าตลอดห้ายโยต์มักคัศะแห่งหนทางข้าพเจ้าเดินทางมาไกลห้ายโยต อาคาโตมาแล้วอมหิเป็นอาคาโตมหิเป็นผู้มาแล้วโยชนานี้ตลอดโยธทั้งหลายปัญจห้ามันแยกกันถ้าติดกันจะเป็นปัญจโยชนงังนะถ้าติดกันนะเป็นปัญจโยชนังถ้าแยกกันก็เป็นปัญจโยชนานี้ตลอดห้าโยธแห่งหนทางเดินทางมาห้าโยธ ข้อสอะหังอุสะพังอุสะพังโคนานางสัตธังสุนามิอะหังข้าพเจ้าสุนามิได้ยินได้ฟังย่อมได้ยินย่อมได้ฟังสัตธังซึ่งเสียงโคนานางแห่งโคทั้งหลายซึ่งเสียงแห่งโคทั้งหลายซึ่งเสียงของโคทั้งหลาย อุสะพังอุสะพังทุกทุกหนึ่งอุสะพะก็คือตลอดหนึ่งอุสะพะหนึ่งอุสะพะอุสะพะเท่ากับห้าสิบเมตรหมายถึงว่าคําว่าอุสะพะเนี่ยระยะพอที่จะได้ยินเสียงโคมันร้องอยู่ถ้าไกลกว่านั้นไม่ได้ยินแหละระยะพอได้ยินเสียงโคล ร, ร้องนี่ก็ประมาณห้าสิบเมตร ร้องตามปกติของมันนะไม่ใช่ร้องแบบถูกเชื่อนนะถ้าร้องแบบถูกเชื่อนนี่ก็ไกลหน่อยถ้าร้องตามปกติมันร้องตามธรรมดาเดินกินยาอยู่เจอกันะมออะไรเงี้ยห้าสิบเมตรประมาณเนี่ยอุสะพัอุสะ พ, <c oughs> พังอุสะพังก็หมายถึงว่าเราไปไหนพอในระยะห้าสิบเมตรเนี่ยได้ยินเสียงโคลงเดินไปอีกห้าสิบเมตรก็ได้ยินเสียงโคลองอีก เขเดินไปตามพุ่งฝูงโคมันเยอะใช่ไหม <5. S 1> เดินไปไกล50าเมตรได้ยินเสียงโคร้องทีเดินไปอีก50เมตรก็ได้ยินเสียงโคร้องทีอ่าก็แปลว่าตลอดตลอดอุศภตลอดอุศภนะแต่ว่าแปลแบบสำนวนล้วก็บอกว่าทุกๆอุศภะทุกๆ50เมตรข้อ5ตวงติโกสังอเปหิต นี่เป็นคำขับไล่นะอเปหิเนี่ยสำนวนไทยก็มาใช้อเปหิไปเลยไม่ใช่ทิ้งเาออเปหิไปว่าไล่ไปตวังท่านโอ้ยไล่ทำไมเพราะจังท่านตวังเจ้าตวังแกไม่ได้เลย <c oughs> ตวังเจ้าอาเปหิจงหลีไป แปลว่าจงหลีกไปมาจากอาปาบ ว, วกอีธาต์อาปาอุปสรรคอีธาต์และหิปัญจะมีปัญจะมีตรงนี้แปลว่าจงละอีแปลว่าไปอาปานั้นแปลว่าหลีกอาเปหิจึงแปลว่าจงหลีกไปจงออกไปจงหนีไปติโกสังตลอดสามโกดตลอดสามโกธออกไปห่าง สมโกดเลยไปอะไรโกดหนึ่งประมาณหนึ่งกิโลเมตรคือระยะได้ยินคนตะโกนเรียกเวลาคนตะโกนป้องปากเรียกกันนะประมาณกิโลเมตรนี่แหละเพราะว่าโกรศะนี่แปลว่าเสียงเรียกถ้าไกลกว่านั้นเราไม่ได้ยินเสียงเรียกถ้าระยะนีไ้ได้ยินเสียงเรียกอยู่แต่ถ้าไปตะโกนเรียกกันอยู่บนหุบเขานะโอ้ไกลเหมือนกันนะเป็นสิบสิบกิโลเมตรนั่นแหละกล้องไปนูน้น เราเดินไปได้สิบเก้าเราได้ยินเสียงคําเดิมแหละสะท้อนกลับมาให้ได้ยินอีกทีเคยไหมเคยไปร้องอยู่ในเขาไหมเคย บ, บางทีไปเดินป่าหลงพัดหนีไม่เจอกันพยายาร้องเช่นไอ้คนที่หายไปมันชื่อท้องดีเราก็เรียกไอ้ท้องดีเงียบเราเดินไปหน่อยได้ยินเสียงกลับมาท้องดีขึ้นมาอี ก, อกเสียงมันสะท้อนขึ้นมา คนหวาดกลัวหน่อยก็เพ่นแล้วไม่เอาแล้วเราผีขับไล่ออกไปให้ห่างออกไปอยู่ไกลน่แหะสามโยน์ไอ้สามโกดแปลว่าถ้าถ้าใช้ถ้าใช้นั้นเป็นใช้อัดขอร้องใช้คำว่าจงให้ซึ่งทางแก่ข้าพเจ้า บาลีจะไม่ใช้ว่าข้าพเจ้าขอซึ่งทางบาลีจะไม่ใช้บาลีจะว่าท่านจงให้ซึ่งทางแก่ข้าพเจ้าบาลีว่าไงจงให้ซึ่งทางแก่ข้าพเจ้าไม่ต้องตะวังนละครับว่าไหมาให้ซึ่งทางแก่ข้าพเจ้ามักคังเมเทหิมักคังเมเทหิต ขอทางหน่อยแปลตามภาษาไทยว่าขอทางหน่อยมักคังซึ่งหนทางเมแก่ข้าพเจ้าเทหิจงให้เมมักจะอยู่ตำแหน่งที่สองของประโยคมักขังเมเทหิเหมือนจะขอตังค์เาเนี่ยขอตังหน่อยบาลีจะไม่มีพูดบอกว่าจงให้ตังแก่ข้าพเจ้า ถ้าเวลาเราจะขอขอทางหน่อยข้าอย่างนี้แล้วก็บอกว่าจงให้ทางหน่อยอ๋อเรียกก็ได้ตามด้วยอารัปปะนะถ้าจะขอทางยอมเกียรติพนก็บอกว่ามักขังเมทหิโพอโพต้องโภไม่งั้นเขาไม่หลีคห้ครับเหมือนกับไทยว่าพี่คะอะไรอย่างนี้โพ ได้ข้างหลังก็ได้เรียกก่อนก็ได้เพอสั้นๆอย่างนี้อาราธน า, า, าจะอยู่ท้ายถ้ายาวๆอาราธน า, าขึ้นก่อนพูดคำสองคาเนี่ยอาราธน า, าตามหลังเลยทําไม่รู้จะพูดยังไงพูดบาลีไม่ออกพูดได้แต่โพคําเดียวใช่ไหมเรียกให้เขาหันมาโพโพเขาก็หันมาแล้วอ่ ะ, อะจะไปจะไปก็ไปได้แล้ว เดี๋ยวเขาก็ขยับหลีกถ้าไม่ขยับหลีกเขาใช้แผนสองยื่นขาไปเลยเดี๋ยวก็หลีกต่อไปข้อ6มนุษย์สากันต่างกังมักขังทุกขังปฏิละพันติเห็นอังอังเยอะเหลือเกินมนุษย์สาแปลว่ามนุษย์ทั้งหลายปฏิละพันติ ย่อมได้รับย่อมได้รับไม่ต้องไปได้เฉพาะหรอครับย่อมได้ย่อรับทุกขังซึ่งความลําบากทุกยากลําบากทุกขงังเนี่ยนะแปลว่าทุกก็ได้แปลว่ายากก็ได้แปลว่าลําบากก็ได้ซึ่งความลําบากย่อมได้รับซึ่งความลําบากมัดขังตลอดหนทางกันดารังอันดๆดๆอันกันดาน มนุษย์ทั้งหลายได้รับความลำบากตลอดทางอันกันดานทางกันดานนี้เป็นทางยังไงแห้งแล้งไม่มีน้ำเหมือนทางทะเลทรายอย่างเนี้ยทางกันดานต่อไปข้อ7สามเณรโรวีสติโยชนังมะกขังอคมาสิสามเณรโร านนาอาคมาสิได้ไปแล้วมักขั ง, งสู่หนทางวีสติโยชนั ง, น ง, นงตลอดยี่สิบโยตตลอดยี่สิบโยตสามนเณรได้เดินทางไกลยี่สิบโยตสามนเณรได้ไปแล้วสู่หนทางตลอดยี่สิบโยตประมาณหนึ่งวันนะยี่สิบโยตเอ้อไม่ใช่สิ ยี่สิบกิโลหนึ่งวันถ้ายี่สิบโยชนี่หลายวันครับตอนเนี้เราเห็ น, นเนนเดินอยู่เนี่ยอ่าจะเดินไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าวันที่เราถามวันที่เราพูดถึงเนี่ยหมายถึงเนนเดินทางได้แล้วยี่สิบโยชน์เป็นอดีตพราถ้าไปแล้วอ่ะใช่ไปแล้วอดีตเดินทางไกลอยี่สิบโยช ไ, ได้ย0โยดแล้วจะไปอีกหรือเปล่าไม่รู้อ่าแปลลำตามลำดับโยชนังวะนนางราชิปากาสติเราราป่าปรากฏตลอดโยอดขาวุตังป่าพร ะ, พะโตทีโคภูเขายาวตลอดคาวุต ปัญจโยชนานี้อาคโตมะหิเป็นผู้มาแล้วตลอดโยต์ทั้งหลายห้าแห่งหนทางอาหางอังอุสพังอุสพังโคนาังสัตทังสุนามิข้าพเจ้าได้ยินย่อมได้ยิน ย่อมได้ยินซึ่งเสียงของโคทั้งหลายตลอดอุสภะตลอดอุสภะอ่าถ้าแปลอย่างเนี้ยว้ยาเนี้ยก็มันมันได้วโ า, าราไทยเฉยๆเทียบเอาเฉยๆแต่แต่ไม่ได้แปลว่าห้าสิบเมตรตลอดอุสภะตลอดอุสภะนี่ถ้าแปลแบบเนี้ยแต่ถ้าแปลเอาความง่ายๆก็บอกว่าทุกๆุกอุสอะะต่อไป ตวังติโกสังอเปหิท่านจงหลีกไปตลอดสามโกดมนุษย์สากันทางรังมักขังทุกขังปฏิละพันติมนุษย์ทั้งหลายย่อมได้รับความลำบากตลอดหนทางอันกันดาล สามเณรโววิสติโยชนังมักทางอาคมาสิสามเณรได้ไปแล้วสู่หนทางตลอดยี่สิบโยต์จบแล้วทุติยาวิพัฒสรุปแล้วทุติยาวิพัฒลงในอัดทั้งหมดได้กี่อัดทบทวนดูสิ ย้อนไปดูหน้า13บสติยาวิพัฒน์ลงในอัดใหญ่ๆได้5อัดคือ1อัดกรรมะอัดกรรมะก็จะมีกรรมย่อยอีกเยอะเช่นอิชิตะกรรมะอนิีชิตะกรรมะอากติตะกรรมะสัมปาปนิยกรรมะนิพัตนิยกรรมะวิกติกรรมะการฤทธิกรรมะสัมภาวะกรรมะเป็นต้นนะนี่เป็นต้นยังไม่หมดเท่านี้อัดที่2คือกริยาวิเศษณ์ขยายกิริยา อธิสามฉัตรยัตถาใช้ในอชัชฉัตรีวิพัฒน์อธิ4สัตตมยัตถาใช้ในอัตสัตตมีวิพัฒน์และอธิ5อัจันตสังโยคะมี2อย่างคือตลอดเวลาและตลอดระยะทางนี่คือทุติยวิพัฒจบครบหมดแล้ว